أعوذ بالله م ن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى ล ل ه و ฺมัส ا ลีอ ي ลามีนบิญนามุ ل ัม ن ั ا ั ا อาลีและอัลฮิัลอ ل ลีและอัลฮิัลอาลีและอัลฮิัลอาลีแล ح ل ل ع ق د ั من لساني ะอัล و ิั وانفعنا l a h u m m a ن, ن ا ลิม์ ن, نا نا ن ر ر ا ์์์ ا ์์์์์ ا ر ์ ن ا ์์์ ن ا ์์ ل ์์์์์์ ل ์์์ ت ر ح نا ์์ ن ا ์ ن ์์์์์์์์ ا ل ์์ س ب ์ ا ์์ ن ا ์์์์์ ن ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ัลลิม์น์์์์ الله سبحانه وتعالى นะครับวันนี้เราจะขึ้นสุรษใหม่นะครับหลังจากที่เราอ่านจบไปแล้วสุรษมุฮัมมัดสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับขึ้นสุรษใหม่อเป็นสุรษที่มาคู่กันเลยนะครับกับสุรษมุฮัมมัดสุรษนี้ชื่อว่าสุรษตุลเฟตสุรษตุลเฟตเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับว่าสุรษนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรนะครับอ เราอ่านสักหนึ่งถึงสาอายัดเพราะว่าวันนี้น่จะเข้าสู่อายัดได้ไม่เยอะเดี๋ยวจะมีเราจะอธิบายบทนําก่อนนะครับว่าสุรานี้มีความเกี่ยวข้องอะไรยังไงอินช่าอัลลอฮ์เปิดสุรัตุลฟาตเลยนะครับมีอยู่แล้วในชีตเพราะว่าชีตเราเราถ่ายมาสองสุรานะครับเราอ่านสุรานุฮามัดไปก่อนแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นสุรอัลฟาต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 فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ويتم نعمته عليك، ويهديك ص ر ا ط ا จะตีมาวอนศรัค Allah นัศร ا عزيza หัวหลั่งอื่น ซาล سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إ ي م ا ن ا مع إيمان وللله جنود, جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكما. الحمد لله. อ่านแค่นี้ก่อนนะครับสุรัตุลฟาตฮ์อัลฟาตฮ์ความหมายโดยศัพท์ของมันเนี่ยแปลว่าการเปิดการเปิดตรงนี้ก็คือการพิชิตการที่ได้รับชัยชนะไปเปิดเมืองนั้นไปเปิดเมืองนี้เข้าใจไหมครับสุรัชานี้นี่มีความเกี่ยวข้องกับสุรัชก่อนหน้านี้อย่างไรสุรัชก่อนหน้านี้ที่เราเรียนคือสุรัชมุฮัมมัด ตรงกันข้ามกันเลยกับสุร่ามุฮัมมัดบรรยากาศของสุร่าเนี่ยเป็นคนเป็นคนบรรยากาศกันเลยสุรหามุฮัมมัดเนี่ยเราบอกแล้วว่ามันเป็นสุร่าที่พูดถึงสงครามพูดถึงการสู้รบพูดถึงการปะทะกันการต่อสู้กันระหว่างมุสลิม ก, กับสัฮาบะกับบรรดาสัฮาบะกับท่านนาบีสุลลัลลอฮ์มุฮัมมัดสุลแลมแน่นอนว่า สงครามมันก็มีการแพ้มีการชนะสับเปลี่ยนหุนเวียนกันไปแต่สุดท้ายท้ายที่สุดสงครามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานาจ่าลาบอกว่าพระองค์จะให้ชัยชนะกับใครให้ชัยชนะกับท่านน บ, บีเพราะฉนะนั้นสุร้อนนี้เป็นสุร้อนแห่งชัยชนะหลังจากที่ผ่านสงครามมาหลายครั้งละนี่คือ บรรยากาศของสุรัตุลฟร์ส์ถ้าบรรยากาศของสุรธรรมห์มัดเป็นบรรยากาศที่อึมครึมบรรยากาศที่อึดอัดเป็นบรรยากาศที่อยู่ในช่วงของการต้องปะทะต้องต่อสู้ต้องระมัดระวงังต้องเตรียมตัวไม่รู้ว่าศัตรูจะมาบุกโจมตีเมื่อไหร่บรรยากาศของสุรัตุลฟร์ส์เป็นบรรยากาศของการเปิดเป็นบรรยากาศของการแจ้งข่าวดีเป็นบรรยากาศของการที่มุสลิมดีใจเพราะว่ารัตอาลสัญญา กับพวกเขาว่าจะให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นหลังจากที่อดทนมาหลายปีหลังจากที่ต้องสู้รบปรบมือกับบรรดาศัตรูมานะครับานานดังนั้นนะสุรอ้อนนี้จึงเป็นสุรอ้อที่ถือว่าเป็นของขวัญสำหรับตัวท่านนาบี ส, ลลลสุลตล่านเองและเป็นของขวัญสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนมันถูกประทนลงมาเมื่อไหร่ เป็นโซรา่าที่ถูกประทานลงมาเมื่อไหร่โซราท่านี้ถูกประทานลงมาในเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าสนธิสัญญยอัลฮูดาบีอะเนี่ยเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่มีข้อคิดบทเรียนต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราลองกลับไปดูในหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับประวัติของท่านนับีก็ได้นะครับในตะฟีมุลอุครานเองเนี่ย ก็มีเล่าส่วนหนึ่งเยอะพอสมควรโอ้หลายหน้าเลยอ่านกันสนุกเลยทีเดียวนะครับฝากให้เรากลับไปอ่านเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปของโซลอนี้ว่าถูกประทานลงมายางไรสรุปสั้นๆก็คือในปีที่หกิจ j ร a ะหลังจากที่ท่านนาบีอบพยพมาเนี่ยปีที่หกิจร r a h ศักราชบรรดา ص ح บ ب ะนะครับท่านนาบีเองเนี่ยในรายงานบอกว่าท่านฝันเห็นว่าท่านเนี่ยเข้าไปทาอมระ ไลยไปต่อว่ารอบกะบะนะพอท่านฝันเห็นอย่างนั้นก็เลยออกมาพูดกับบรรดาศอกาว่าปีนี้เราจะไปอมรรษกันเราจะกลับไปที่มักกะกันเพื่อที่จะไปทําอมรรษก็เลยเตรียมตัวนะครับเตรียมเป็นคาราวานออกไปแจ้งให้กับบรรดาคนที่อยู่รอบๆเมืองมดีนนะมุสลิมที่อยูอ่ไม่ใช่เฉพาะในเมืองมดีนนะคนที่เป็นเผ่าเป็นอะไรที่อยู่รอบๆเมืองมดีนนะนี่แจ้งให้ทราบทุกคนว่าปีนี้จะไปอมรรษใครที่อยากจะไปด้วยก็เชิญ ตกลงก็รวมตัวกันได้ประมาณหนึ่งพันี่รอคนแล้วเจตนามุ่งหมายก็คือต้องการที่จะไปทำอุรมงห์จริงๆไม่ได้มีเจตนาอื่นเลยอย่าลืมนะครับว่าตอนนั้นสงครามยังคงมีอยู่นะสงครามระหว่างมักกะกับมาดีน่านี่ยังคงมีอยู่แต่ประเด็นเรื่องการไปทำอุมงค์เนี่ยมันเหมือนกับว่ามักกะเนี่ยเป็นเมืองที่อาหรับทุกคนรู้กันดี ว่าเป็นมือแห่งความสันติแม้ว่าจะเป็นศัตรูกันแต่ถ้าสมมุติมีคนบอกว่าต้องการจะไปทำอมร์ชาวมักกะจะต้องยอมให้คนเนี่ยเข้าไปต้องเปิดให้คนเข้าไปแม้ว่าจะเป็นศัตรูของเขาก็ตามเพราะว่ามักกะนี่เป็นข้อยกเวน้นสมมุติใครก็ตามมีความแค้นส่วนตัวหรืออะไรอย่างไรก็ตามถ้าเข้าไปในมักกะเนี่ยไปเจอกันในมักกะเนี่ย ห้ามหาม่ากันในมักกะเด็ดขาดถ้าจะไปฆ่าก็ต้องฆ่ากันนอกมักกะต้องออกไปเคลียร์กันนอกมักกะเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นบรรดาสัฮาบะชาวมุสลิมบรรดาสัฮาบะท่านนาบีและบรรดาสัฮาบะเองเนี่ยก็ประกาศชัดเจนว่าเราเป็นศัตรูนะกับชาวมักกะอยู่นะแต่ปีนี้เราจะไปอุมระอยังไงยังไงชาวมักกะก็ต้องอนุญาตให้เราเข้าไปเพราะเราไม่ได้ไปทําสงครามเราจะไปไปเยี่ยมกาบะอาหรับเป็นที่รู้กัน อาหรับรู้กันหมดเลยว่าถ้าสมมติใครอยากจะไปกัมก้ากต้องให้เข้าไปเพราะ ก, กัมก้าเป็นเมืองแห่งความแห่งความสันติดังนั้นชาวมุสลิมก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอยากจะไปอุบร่า จ, จะมีปัญหาอะไรอ่ะไม่ได้ไปทำสงครามสักหน่อยก็เลยไม่ได้พาอาวุธอะไรไปเลยนอกจากเป็นอาวุธเล็กๆนะดาบที่อยู่ในเรียกว่าอะไรนะเก็บอยู่ในฝกักไม่ได้ไม่ได้ชักออกมาเก็บเอาไว้เป็นพอพอที่จะเป็นสำเบียงไว้ สำหรับเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้มีอาวุธอะไรที่เต็มสู่เหมือนกับจะไปทําสงครามไม่ได้มีโล่ไม่ได้มีอะไรทั้งสิน้นเพราะตั้งใจจะไปผมรับเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือหลังจากนั้นพอพวกออเรชได้ยินว่าชาวมาดีนาออกมาท่านนาบีกับบรรดาซาบะเนี่ยออกมาก็เลยกลัวกลัวว่าเอ๊ะสงสัยหรือ ไม่แน่ใจว่าคือไม่เชื่อไม่เชื่อว่านาบีสลุลต่านกับซาบะนี่ที่มามะกะที่บอกว่าจะมาทําอมรรัตน์นี่ไม่เชื่อว่าจะมาทําอมรรัตน์จริงๆนะฮะตั้งข้อสงสัยว่าเอ้ยไม่ไม่เป็นไปไม่ได้เรายัางอยู่ในภาวะสงครามอย่างนี้แล้วอยู่ดีๆมุฮัมมัดบอกว่าจะมาทําอมรรัตน์เนี่ยเอ้ยมันเชื่อ ม, มันเชื่อไม่ได้นะะสุภาพนัลล่นอรอทั้งที่ท่านนาบีนี่ออกมาเนี่ยในเดือนอะไร ออกมาในเดือน ذو القعدة ah เดือน ذو القعدة ah นี่เป็นเดือนต้องห้ามห้ามทําสงครามคับคนอาหรับรู้กันดีเลยเดือนรับ ah j a ah b ذو القعدة ذو الحجة เดือนฮัรรัมสี่เดือนนี่เป็นเดือนต้องห้ามแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมเองเขาก็ให้เกียรติสี่เดือนนี้จะไม่รู้สู้รบปรบมือกันในในช่วงระหว่างนี้เพราะเป็นเดือนต้องห้ามแม้กระทั่งในสมัยยา้ายยะก็รู้เป็นที่รู้กัน น บ, บีออกมาในเดือนต้องห้ามในเดือนในเดือนฮารอมแต่ชาวมุชลิกินก็ยังไม่เชื่อสุดท้านั่นแหละนะครับอ่ะออกเดินทางมาพอถึงจุดจุดหนึ่งท่านน บ, บีก็ส่งเหมือนกับเป็นส่งอะไรนะเขาเรียกตัวแทนไปก่อนสักคนหนึ่งเพื่อไปสืบข่าวว่าคนมากกาได้ข่าวว่าเราจะออกจะออกมาทําอมระองเนี่ย จะออกมาทํามุรัตินี่มีปฏิกิริยาอย่างไรก็ส่งซาฮาบะคนหนึ่งไปสบืบซอฮาบะคนนี้ไปสืบไปสืบมาแล้วกลับมาบอกกับท่านนาบีว่าอ่าไม่ได้เรื่องละคนมักกะเนี่ยเข้าใจว่าเรากําลังจะมาทําสงครามกําลังเตรียมตัวกันที่จะจะจ ะ, จะรบกับเราแล้วเพราะฉะนั้นเราเข้าไปไม่ได้ปีนี้เข้าไปไม่ได้ท่านนาบีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องเบี่ยงเส้นทางไปอีกทางหนึ่งแล้วค่อยไป ดูกันว่าจะเอาอยัางไงจะไปต่อหรือจะเอาอยัางไงกันดี <S <S เลยเบียกออกไปที่สถานที่ที่เรียกว่าอัลฮุไดเบียอัลฮูไดเบียแล้วพวกมุชริกินก็ส่งตัวแทนออกมาเจราจานะครับสองสามคนไม่ใช่แค่คนเดียวมารอบแรกก็มาคุยเจราจาบอกว่าอย่าเพิ่งมาเข้าเลยปีนี้อย่าเพิ่งเข้ามากักกะเลยปีนี้ค่อยมาปีถัดไปก็ไม่ได้ผล นะครับส่งคนที่สองมาสุสดท้ายส่งคนที่สามมาท่นนานอับีเองก็ส่งตัวแทนเข้าไปด้วยนะครับส่งอุสมานอิบนอันฟานเข้าไปลูกเขยของท่านเองส่งไปจจ เ, รเไปจรจาในเมืองมักกะอุสมานเข้าไปเจรจาในเมืองมักกะเนี่ยหายไปหลายวันไม่ส่งข่าวออกมาทางฝั่งมุสลิมก็เลยเข้าใจว่าอุสมานโดนฆ่าไปแล้วมีข่าวลือออกมาว่าอุสมานโดนฆ่าก็เลยรวมตัวกัน ทำศัตรยบันใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งนะต้นไม้อริด้วันที่ว่าใบอตุริด้วันหรือใบอัลปูไดเบียเนี่ยเป็นการศัตยาบันใต้ต้นไม้นะตอนนั้นข่าวออกมาว่าอุสมานโดนฆ่าตายเพราะฉะนั้นมุสลิมยังไงก็ต้องต้องไปอะไรนักเรียกต้องไปเอาอุสมานออกมาเนี่ยก็เลยศัตยาบันกับท่านนบีสโลสลามใต้ต้นไม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จําเป็นที่จะต้องสู้กับมุสลิมละแม้ว่าอาวุธจะไม่ครบ ยอมเสียสละชีวิตจึงเรียกการสัตยาบตรจงนั้นว่าใบอัตุริดวันหรือใบอัลฮไดายียะ ah นั่นเองพอทำใบอักษเสร็จเรียบ ร, ยร้อยข่าวก็ออกมาอีกรอบหนึ่งว่าจริงๆแล้วอุษมานยังไม่ยังไม่เสียชีวิตทีแล้วพวกโกรเรชก็ส่งตัวแทนคนสุดท้ายมาจร า, จานะครับชื่อซ uh ุไฮอมาจราจาก็ผลปรากฏว่าได้ข้อตกลง ยอยู่ในหน้าเท่าไหร่ 2,595 เจรจาไปเจรจามาทำข้อตกลงหลักๆสี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งมุสลิมมั ด, ดินะกับพวกโกรชมักกะพักสงครามเป็นระยะเวลาสิบปีหลังจากนี้เป็นต้นไปข้อที่สองระหว่างที่พักสงครามนี้ ถ้าสมมุติมีคนมักกะอพยพไปมาดินนะคนมาดินนะจะต้องส่งกลับมาที่มักกะแต่ถ้าสมมุติมีคนมาดินนะมาที่มักกะมักกะจะไม่ส่งกลับไปมาดินนะเสียเปรียบไหม <laughs> สุดฮาแล้วล่ะโอ้โหเอาเปรียบมากมากแไม่เป็นไรอ่นนี้ข้อที่สองข้อที่สามเผ่าอารับที่อยู่รอบรอบ แม้ว่าจะอยู่รอบรอบมักกะหรื อ, อรอบๆมาดินนะเนี่ยถ้าสมมติเผ่าไหนจะไปเข้ากับฝั่งไหนก็อนุญาตถ้าสมมติมีเผ่านี้จะมาเข้ากับมักกะก็โอเคไม่มีปัญหาหรืออีกเผ่านึงจะไปเข้ากับมาดีนนะก็ไม่มีปัญหาจะไม่ใช่มุสลิมหรือเป็นมุสลิมก็แล้วแต่ได้หมดได้หมดรับหมดไม่มีห้ามมีใครขัดขวางและอันที่สี่ ท่านนาบีและสัฮาบเนี่ยจะต้องกลับไปก่อนปีนี้ไม่อนุญาตให้ทําอมรหยังไงยังไงก็ไม่อนุญาตค่อยมาทําปีหน้าก็าแล้วกันลองคิดดูพวกเราลองคิดถึงความรู้สึกนี่เดินทางจากมาดีนนะมามกกะกานี่ไม่ใช่วันสองวันนะในสมัยอดีตเนี่ยอย่างน้อยต้องเจ็ดแปดวันหรืออาจจะมากกว่านั้นอันาอาละห้ามรือไม่แน่ใจว่ากี่วันน่าจะมีข้อมูลอยู่ในในใ น, ในเนี้ยในซีรัเนี้ แต่ออกมาพร้อมกับแพะแกะแล้วต้องแอบรอมมาจากมาดีนนะนะพวาะเราลองจินตนาการดูเวลาที่เราจะไปอุมรอห์นี่ถ้าเดินทางจากมาดีนนะั่เนี่ยเราต้องแอบรอมมาจากมาดีนนะอ๋อไม่เหมือนกับเวลาที่เรามาจากเมืองไทยสมมุติเรามาจากเมืองไทยเนี่ยเราแอบรอมใกล้ๆจะถึงมักกะฮะแล้วอย่าลำลำแต่ถ้ามาจากมาดีนนะ่ะเขาเรียกว่ามีกอดของคนที่จะไปทำฮาซิหรือของคนที่ไปทำอุมรอ มีกอดมาดีนะนี่เป็นมีกอดที่ไกลที่สุดสามรอยกว่ากิโลอยู่ในชุดอแรอมมาจากบ้านอแล้วเอาแพะเอาแกะมาพร้อมเลยแพะแกะที่ที่จะเอามาเป็นสัตว์เขาเรียกสัตว์เป็นขั้ดีเป็นกุรบาลในเมืองมักกะเนี่ต้องพามาจากบ้านนะไม่ได้มาซื้อที่มะกะส ม, มัยก่อนแล้วไม่ใช่มาซื้อที่มะกะต้องพาไปจากบ้านตั้งใจเอาไว้แล้วจะมาเชื่อที่มะกะแล้วพอมาถึงใกล้มักกะประมาณสิบกิโล ที่อะไรนัชูไมซี่สมัยนี้ก็ชูไมซี่หลืประมาณนั้นใกล้ๆกันใกล้จะเข้ามาการแล้วแล้วคนใน ม, มากาบรบอกว่าไม่ได้ต้องกลับไปโอ้มีทั้งแกะมีทั้ง แ, แพะแล้วอุ้มรหดมากับชุดสีขาวชุดแอลรอมเสร็จสับเรียบร้อยรู้สึกยังไงท่านนาบีจําเป็นที่จะต้องรับสนธิสัญญานี้นะครับ แล้วในสัญญาเนี่ยนะมีหลายเรื่องเลยอุมมัดเนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนมากในสัญญาเนี่ยเวตอนที่เขียนสัญญาเนี่ยสัญญานี้เขียนขึ้นระหว่างกุเรสกับมุฮัมมัดแล้วไม่ได้ใส่ตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นะ อ, อุมมัดเนี่ยโกรธมากรับได้ยังไงสัญญานี้เป็นสัญญาที่ดูผิวเผินแล้วฝ่ายมุสลิมเสียเปรียบแต่ท่านลบดีก็ลงเซ็นสัญญานั้น ยอมกลับไปตอนที่เซ็นสัญญาเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยบรรยากาศนั้นอึมครึมมากซาวฮาบานี่เหมือนกับน้อยอกน้อยใจเอามัดไปถามว่าทําไมอ่ะเราไม่ได้อยู่บนความถูกต้องหรือเราเป็นคนที่ถูกต้องเราอยู่กับคําสั่งของอัลลอฮฺอะไรอยู่บนสัจจะทำไม่ใช่หรือแล้วเรายอมแพ้กับเรื่องแค่นี้หรือท่านนับิบอัลไม่เราอยู่บนความถูกต้องแล้วอัลลอฮฺก็จะช่วยฉันแต่ฉันรับคําสั่งนี้ให้เสร็จสัญญา ไม่มีอ่าพอใส่ชุดแอลออมเนี่ยกฎของมันก็คือถ้าใส่ชุดแอลออมแล้วเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องทำให้จบสมมติเราเราตัลเบียเขาว่าละไบกะหลุมมะอุมรตันใส่ชุดอลออมเสร็จสับไปเแล้ ว, ล ว, ลวยังไงยังไงก็ต้องไปที่กะบะและต้องตาววัและต้องทำอุมระัให้จบไม่อย่างนั้นแล้วต้องเสีอออยอ่าต้องเสียค่าดำ ก็เรียเสียค่าดําเพราะฉะนั้นท่านนาบีเนี่ยพอทําสัญญาเสร็จปุ๊บ ก, ก็สั่งให้บรรดาสัฮาบเนี่ยปลดไอ้รอมหรือที่เรียกว่าตะฮห ล, ลุนนะต้องตะฮห ล, ลุนเพราะเพราะยังไงก็เข้าไปไม่ได้ก็ต้องตะฮหลุนตรงนั้นต้องเชือดสัตว์ตรงนั้นไม่มีใครยอมตะฮห ล, ลุนน้อยใจอยู่แล้วเป็นปกติอะ ยังยังมีความรู้สึกอยู่โอ้รับไม่ได้ยังอยากจะฝ่าฟันก็ไปอยู่ท่านนาบีก็เอ๊ะทําไมอย่าไม่ฟังคําสั่งฉัน <c ười> คือมันเป็นปกตินะมันเป็นปกติมันเป็นเป็นความรู้สึกอยู่ไม่ใช่ว่าซาบะไม่อยากจะทําตามคําสั่งของท่านนาบีแต่ตอนนั้นมันยังมันยังมีอาการอยู่ยังงดงดอยู่ท่านอบีไม่รู้จะทำยังไงก็เลยกลับเข้าไปหาภรรยาของท่านอุมูฮซสลามะรดิยัลลอฮุอะลัยฮุอะ เข้าไปหาอัลมูซาร่มะเข้าไปเหมือนกับเอ๊ะทำไมซาบะไม่ฟังฉันทําไมไม่ยอมฟังเนี่ยอัลมุซาร่มะเนี่ยให้คําปรึกษาแบบง่ายๆเลยนะมุซาร่ามะบอกกับท่านนาบีว่าย่ารอสุรละละท่านจะท่านไม่ต้องบ่นหรอท่านไม่ต้องพูดอะไรมากซาบะเนี่ยขอให้ท่านทําอย่างนี้ก็พอแล้วจบไม่ต้องพูดมาก ท่านออกไปเชื้อดแกะของท่านให้ศกให้เจ็ดให้จบแล้วก็ให้คนอื่นแล้วก็โกนผมของท่านให้จบเดี๋ยวมันก็เสร็จเองปรากฏว่าท่านนบีก็ออกไปไปเอาแพะของตัวเองเอาแกะของตัวเองไปเชือดต่อหน้าต่อตาซาฮัออบแล้วก็เรียกคนที่จะมาอะไรนะโกนศีรษะของท่านปรากฏว่าแย้งกันมาที่จะ ที่จะโกนศีรษะของท่านนาบีทั้งๆ ท, ที่ตอนแรกนี้ไม่มีใครอยากจะทําแต่พอเห็นท่านนาบีเชือดแกะของตัวเองแล้วก็เรียกคนมาตัดผมโกนผมให้กับท่านเนีย่ยโโหต่างแย่งกันมาเที่ปรากฏว่าจบด้วยดีเห็นไหมบางครั้งคนที่เป็นผู้นํำต้องทําให้เห็นไม่ใช่แต่พูดพูดพูดพูดอย่างเดียวบางทีมันอาจจะไม่เห็นผลทําให้เห็นก่อนพอทําเห็นปุ๊บซาฮาบะนี่ก็มารีบทําทันทีเลยนะครับ สุภานัลนแหละหลังจากนั้นก็เดินทางกลับเดินทางกลับอุมรัรนี่ก็ยังมีอยู่ยังยังรู้สึกอยู่อะไรเนี่ยท่านนับีก็ยังมองในแง่บวกยังบอกว่าไม่เป็นไรเรากลับไปก่อนอิชอัลล์นี่เป็ น, เ ป, นเป็นการเป็นการอะไรนะเป็นการเป็นฟัดเป็นการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุภาพนับตะละระหว่างทางที่จะกลับมาดีนนะนั่นเองซูร้อนี้ถูกประทานลงมา ขันน บ, บิยุทธ์ลอ่านสุรษะนี้ให้บรรดาสับบาห์เพิงสับบาห์ที่นั่งสังสุรษะนี้ที่ Allah ตรัตาบอกว่าอินนัฟัตฮนะละกัฟัตฮ์ฮมูบีนะแท้จริงแล้วเราได้ให้ชัยชนะกับพวกเจ้าเราได้เปิดเราได้พิชิตให้กับพวกเจ้าด้วยการด้วยชัยชนะที่ชัดแจ้งยิ่งนักนะสับบาห์ก็งงมันเป็นการพิชิตตรงไหนนี่เราต้องกลับบ้านนะแล้วมันพิชิตตรงไหนยังมองไม่ออก นะไม่เราชนะตรงไหนเนี่ยเราต้องทําสัญญาที่เสียเปรียบขนาดนี้แล้วเรายังต้องปลับมาเมรหน้าเนี่ยไหนใช้ชนะที่อัลกตาลาบอกถ้าเป็นเราเราจะตั้งคําถามอย่างนี้ไหมถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นนะเรื่องนี้มองโดยผิวเผินไม่ได้เพราะอัลกตาลารู้ดีว่าการทําสัญญาของท่านนาบีสุลต่ามที่ฮุดายเบียเนี่ยจริงๆแล้ว เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากอยู่ในการรับรู้ของละตาราเสร็จสับแล้วอยู่ในฮิ้กุมารของละตาลาเสร็จสับแล้ ว, ขขลลวถ้าสมมุติว่าในฮูดเบียะเนี่ยท่านนาบีสุลตาร์สัลลัมไม่รับการทําสัญญาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทําสงครามมุสลิมมีแค่หนึ่งพันกว่าคนนะผู้ชุมนุมนี้ไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ถ้าทำสงครามคิดว่าใครจะชนะอะ บางทีอาจจะดนกำราบตรงนั้นจนหมดไปการคำสัญญาเนี่ยกลับมีผลดีที่มากมายซึ่งสห บ, บัติไม่สามารถจะทราบได้แต่ท่านนาบีรับทราบด้วยการว่าอยู่จากลบังตลลาเสร็จสรรพเรียบ้อยลบรรดาอุลามะเนี่ยมาวิเคราะห์มาวิเคราะห์ ว, ะว่าการที่อลอตัลลาบอกว่าสนที่สัญญาหูใดเบียห์เนี่ยมันเป็นชัยชนะเนี่ยเราจะวิเคราะห์ในแง่มุมไหน มันเป็นชัยชนะได้ยังไงพี่น้องลองเปิดดูมีอยู่สามสี่ข้อที่เขาวิเคราะห์ในหนังสือในซาฟีมูลโควรอานเอง ก, ก, ก็บอกนะครับเนี่ยสองห้าเก้าเจ็ดข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ในสัญญานี้ยอมรับการมีอยู่ของรักอิสลามในคาบสมุทรอาหราบับเห็นไหมครับการที่พวกกเรชเนี่ย ยอมทำสัญญากับท่านนาบีนี่แสดงว่าฐานะของท่านฐานะของชาวมดีนาเป็นยังไงเริ่มเป็นที่ยอมรับของแสดงว่ามีตัวตนอยู่จริงซึ่งก่อนหน้านี้คนอาหรับมองมุสลิมที่มดีนาเป็นเป็นพวกที่นอกข้อเป็นพวกที่กลุ่มเล็กๆไม่มีอำนาจไม่มีอะไรแต่พอเริ่มทำสัญญากับกุเรชซึ่งเป็น เป็นอะไรเ็าเรียกนะเป็นหัวหน้าของชาวอาหรับในยุคนั้นแสดงว่าฐานะของชาวมดีนนะของมือมดีนน่าตอนนี้ไม่ธรรมดาอีกต่อไปเห็นไหมเนี่ยเป็นฮิกมะหนึ่งข้อที่สองการยอมรับสิทธิของผู้ไปประกอบพิธีฮัตและอมรชทิกกะบะพวกกเรชก็ยอมรับว่าอิสลามไม่ใช่ลทัทธิต่ อ, อต้านศาสนาดังที่พวกเขาเคยคิดเข้าใจไหมครับหมายความว่าก่อนหน้านี้ พวกโกรธนี่พยายามกล่าวหาว่าศาสนาของมุฮัมมัดเป็นศาสนาลที่นอกคอกเป็นศาสนานอกรีดอย่ามายุ่งเกี่ยวกับชาวมักกะแต่เมือ่อระบุในสัญญาว่าปีหนะ้าให้มาทําอมรชได้แสดงว่าศา ส, สนาของมุฮัมมัดนะครับการยอมรับแล้วแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่จะไม่เข้ามุสลิมแต่สถานะมันก็ มันก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามันไม่เหมือนกับคากล่าวหาที่คนเหล่านี้เคยกล่าวหาเอาไว้ก่อนหน้านี้อันที่สามการลงนามในสัญญาไม่ทำสงครามเป็นเวลาสิบปีเนี่ยทำให้ชาวมุสลิมหมดห่วงไม่ต้องไม่ต้องมานั่งคิดมากอีกอะว่าหลังจากนี้มักกะจะยกทัพมาโจมตีอีกไหมต้องมานั่งคิดมากอีกไหมแสดงว่า ด่านของพวกมักกะเนี่ยมุสลิมไม่ต้องห่วงแล้วจบไปทำสงครามกับฝั่งอื่นต่อดีกว่าพวกยูที่คอยบัรซึ่งก่อนหน้านี้อ่ะชาวมุสลิมในใบนนานินะเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปกำจัดยูที่คอยบัรเพราะอะไรเพราะต้องเป็นห่วงว่ากองทัพกุเรชจะมาบุกโจมตีเมื่อไหร่ทำให้ไม่สามารถจะไปจัด ก, การกับพวกยูที่คอยบัเมื่อ พักรบกับพวกกรีเป็นเวลา1ิปีทาเป็นยังไงครับทีนี้มีเวลาแล้วแหละที่จะไปกำจัดศัตรูเสี้ยนน้าที่คอยรุกรานที่คอยทำลายที่อยู่รอบๆเมืองมณีนะต่อไปซึ่งพวกกรีซทำอะไรไม่ได้ละพวกกรชจะไปร่วมมือกับยิวได้ไหมไม่ได้ละเพราะอะไรเพราะพักรบแล้วไงเห็นไเป็นข้อดีไหมเป็นข้อดีสุภาอลอ่านี่คือข้อที่สาม ข้อที่สหลังจากที่หยุดความเป็นศัตรูกันระหว่างมุสลิมกับพกวกกุเร่ท่านรอสูลอ l l a h สลอมมีโอกาสได้สถาปนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองแหวอิสลามในดินแดนของท่านและเปลี่ยนสังคมอิสลามให้เป็นอรารยธรรมนอกจากาจะได้กําจัดเสี่ยนนําอื่นแล้วเนี่ยเป็นโอกาสดีที่ทําให้ท่านนาบีเนี่ยมุ่งเน้นในการพัฒนาเมืองมาดีนาอย่างเต็มที่มีเวลาที่จะม า, ด, าดูแล บริหารจัด ก, การสร้างระบบระเบียบที่มันที่มันดีขึ้นจากเดิมไม่ต้องมานั่งพะวงว่าพวกกุเรีจะมาโจมตีเมื่อไหร่สุภาพนัลล่นหรอนอกจากนี้ยังเริ่มส่งตัวแทนไปไหนไปตามหัวเมืองต่างๆไปเดอ ะ, ะ่าทางใต้ทางนูน้นทางนี้โดยไม่ต้องไปห่วงว่าศัตรูที่มักกะจะเข้ามาโจมตีอีกต่อไป สุภานัลอ่านี่ไงเหมือนกับที่ข้อห้าข้อห้าก็เหมือนกันนะครับทำให้มุสลิมสามารถเอาชนะศัตรูในตอนเหนือและตอนกลางได้เป็นอย่างดีและที่น่าแปลกก็คือว่าสัญญาสิบปีเนี่ยมันอยู่ไม่ถึงสิบปีสุดท้ายพวกโกเรสก็เป็นคนเริ่มทำลายสัญญาสิบปีของตัวเองเพราะฉะนั้นซุลฮุลฮูไดบียะ จึงถือว่าเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่สำหรับชาวมสุสลิมอารับหลังจากที่ได้เข้ามาคลุกคลีกับเมืองมาดีนะทำให้เริ่มรับอิสลามมากขึ้นท่านอาบีสามารถที่จะเผยแพร่ อ, อิสลามได้อย่างกว้างขวางโดยไม่มีไม่มีใครมาเป็นอุปสรรคอีกต่อไปนะครับสังเกตดูหลังจากนั้นสองปีสองปีก็คือปีที่แดเนี่ย ท่านน บ, บียกทัพไปพิชิตเมืองมักกะเพราะว่าชาวมักกะผิดสัญญาจากเดิมจำนวนมุสลิมไ ป, ح, ไ ป, ไปในปีที่หกไปทำสัญญาดนเบียเนี่ยออกไปแค่หนึ่งอคนแต่พอปีที่แไปพิชิตมักกะเนี่ยจำนวนมุสลิมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหนึ่งมืนกว่าคนนระยะเวลาแค่สองปี แล้วจะเรียกว่าจะไม่เรียกว่ามันเป็ น, น, ปนชัยชนะได้อย่างไรเพียงแต่ว่าเราไม่รู้แค่นั้นเองท่านนบีเนี่ยด้วยวะยูจาอัลลอฮสุบานตาลาอัลลตาลาทรงรู้ดิว่าการที่ยอมรับแม้ว่าโดยผิวเผินอาจจะมีความรู้สึกว่าถูกเสียเปรียบโดนเอารัดเอาเปรียบแต่จริงๆแล้วมันคือชัยชนะที่อัลลอฮฺตาลาเริ่มเปิดและประกาศเป็นของขวัญให้กับท่านนบีของพระองค์และบรรดาสอฮาบะ ที่อยู่เคียงข้างท่านสุภานอัลลอฮ์นะครับด้วยความอดทนนะครับและก็ความมุ่งมั่นที่จะเชิดชูศา ส, สนาของล่ะสุภาพนอัลต้ามาหลายปีมาดูกันอายตัตแรกอิ น, ฟ, น ฟ, มมฟันาลกฟััมมบีนแท้จริงแล้วเราได้ประทานชัยชนะอันชัดแจ้งแก่เจ้าแล้วฟัดนธะัมมูบีน่าตรงนี้อุลามะมีการขีลาฟกันบางคนก็บอกว่า ซุนฮุดเบียมีมีบางคนบอกว่าจริงๆแล้วฟัดตรงนี้ก็คือการพิชิตมักะแต่น้ำหนักเนี่ยน้ำหนักีิมันไปทางซุนฮุดุยเบียหมดเลยเพราะว่ามันถูกประทานลงมาในเหตุการณ์การทำสัญญาฮุดบียแล้วที่รักอัลลอฮ์ม้จะก้าวหน้าจดับิกะและมาตขึ้นและจะได้รับพรจากพระองค์และจะได้รับการยยอเป็นผู้ทีมา วัน نصر คัลลอห์ نصر น่า عزيز ะอายะที่2กับอายะที่3เนี่ยเป็นการอธิบายว่าฟัดหรือการที่อัลลอฮฺสุบาบัลตะละระบุว่าซุลอุลฮุดัยบียะหเนี่ยเป็นชัยชนะเนี่ยมันมีผลประโยชน์บางอยา่างที่ยิ่งใหญ่อะไรบ้างอายะที่2เนี่ยเป็นตัวขยายความ นิลนลียาฟร่ลักอัลลอฮ์แม้จัดมาในดับบิคแลมาจะอัคารพื่อที่อัลลอฮาจะได้อภัยโทษให้กับเจ้าให้กับใครให้กับท่านนาบีแม้จะขัดมาในดับบิคสิ่งที่ผ่านไปแล้วและสิ่งที่จะมาถึงอัลลอฮ์จะอาภัยให้กับท่านนาบีคําว่าอภัยให้กับท่านนาบีตรงนี้เนี่ย นะสิ่งที่ผ่านมาของท่านนาบีนะครับที่ผ่านไปแล้วในอดีตในชีวิตของท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัและสิ่งที่จะมาถึงจะได้รับการอภัยโทษจากอวาวาลัลเลาะห์ซุบวะตะลโดยอัตโนมัติจริงๆแล้วความพิเศษข้อนี้นท่านนาบีได้รับมาตั้งนานแล้วนะไม่ใช่เฉพาะตอนที่มีสุลหุลวะไดบียะเท่านั้นแต่การประกาศตรงนี้ เ, เป็นการประกาศให ให้มันเป็นอะไรนะเขาเรียก Official. อ f ฟฟิเชีเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการให้บรรดาสาาบะให้ทุกคนได้รับทราบว่าสถานะของท่านนาบีเนี่ยคือสถานะที่อลัลลบฮฺสวาบัลลาบอกว่าพระองค์จะทรงอภัยโทษให้กับท่านก่อนหน้านี้และที่จะมาถึงท่านถามก็คือ ทำไมอัลตัลลาห์จะอภัยโทษให้กับท่านนาบีท่านนาบีตกลงท่านนาบีเป็นคนมีบาปหรนะืออัลลอฮฺถต้องอภัยโทษให้กับท่านองค์ทีเวลาที่เราเราเราฟังเราอาจจะเข้าใจว่าเอา้าท่านนาบีไม่ใช่มะซูมเดอกเลยหมายถึงยังไงมะซูมเป็นคนที่ไม่มีบาปแล้วอัลตัลลาห์จะอภัยโทษให้อะไรอีกอะ่ะในเมื่อท่านเป็นคนที่ไม่มีบาปดังนั้นความหมายตรงนี้เนี่ย จึงมีการอธิบายจากดรซีดคำที่อัลลอาลาบอกว่าเลี้ยวสิร่าละกัลลอฮเนี่ยหมายถึงเป็นการที่อัลลอฮฺสุบฮานอัลลอฮฺจะชดใช้และทดแทนสิ่งที่ท่านนาบีสุลต์ละฮฺทำอมามัลบางอย่างไม่ทันไม่ได้หมายถึง บาเข้าขใจไหมครับอัลลอฮฺะจะทดแทนสิ่งที่ท่านนาบีทำอามัลบางอย่างไม่ทันหรือไปทำอามัลอย่างอื่นแทนในภาษาอังกฤษเรียกว่าคลาฟุลอละยกตัวอย่างเช่นบางครั้งท่านนาบีสุละ ล, ะ ล, ะสล่านไม่ทันที่จะละหมาดสุนัตในบางเวลา ถามว่าละหมาดรสุนัตเนี่ยใครที่ไม่ละหมาดบาปหรือไม่บาปสําหรับพวกเราคนปกติการที่เราทิ้งละหมาดรสุนัขเนี่ยมันก็ไม่ได้บาปนะแต่สําหรับฐานะอย่างท่านนบีสุลตล่านสําหรับตัวท่านเองคนเดียวเนี่ยท่านถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเข้าใจไหมฮะมันเป็นขี้เลาสุนเอาแหละ คนที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบไนะาลเนี่ยไม่ควรที่จะละทิ้งการละหมาดสุนัตก็ดีหรือการทำอามัลภารกิจต่างๆเหล่านี้ก็ดีแต่บางครั้งท่านนาบีทำไม่ทันอาจจะด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นคำว่าอัลลอฮฺจาลจะอภัยโทษให้กับท่านเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าท่านนาบีมีบาปแล้วอัลลอฮฺจาลจะไปลบบาปของท่านนาบีไม่ใช่หมายถึงการที่อัลลอฮฺาลจะชดใช้ บางสิ่งบางอย่างที่ท่านนาบีสลาละอัลสัลลมทำไม่ทันหรือทำสิ่งอื่นแทนจากสิ่งที่สมควรจะทำมากกว่าเข้าใจไหมครับนี่คือความหมายอันที่หนึ่งความหมายอันที่สองนะที่บอกว่าสิ่งที่ผ่านไปกับสิ่งที่จะมาถึงเนี่ยหมายถึงว่าอัลลอฮฺสุบฮฺบะฮาแนหจาละจะเป็นผู้ปกป้องเพราะคำว่าเลียร์ซร หมายถึงปกป้องปกปิดย่าฟิร์เนี่ยหมายถึงอัลลอฮ์แต่ละจะปกป้องไม่ให้ท่านนาบีสุลตลล่านละฮ์มุฮัมมัดสุลแลมทำบาปปกป้องตัอตอ้งแต่ต้นเลยท่านนาบีจะไม่ทำบาปเพราะว่าได้รับการปกป้องจ า, จากท่านจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาอานะนี่คือความหมายของคำว่าลียฟฟิรัลกัลลอฮ์มาตัดดัมมินดัมบิคะ ว่ามาจะอัคร์มาชา a a l l เพราะฉะนั้นอันนี้คือความพิเศษอันดับหนึ่งเป็นของ เพื่อเป็นการเติมเต็มเนะหมัดของพระองค์ให้กับท่านยังไงซุลฮุดัยบีเนี่ยเป็นการเติมเต็มเนะหมัดให้กับท่านนับลบียได้อย่างไงสังเกตดูสุรษต่างๆายัตอัลกุรอานต่างๆที่ถูกประทานลงมาหลังจากเหตุการณ์ในปีที่หเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสุร์ที่กล่าวถึงบทบรรัญญัติต่างๆในอิสลาม ที่จะทำให้ศาสนาอิสลามมีความสมบูรณ์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุรัตุลมาอิดะห์ที่เราอะไรนะสุรัตุลมาอิดอะห์ะะะะวรรดีตุละกุมอิสลามดีน่าที่บอกว่าบทบัญญัติต่างๆที่เหลืออยู่เนี่ยหลังจากที่ทำสนติสัญญาฮูไดเบียแล้วเนี่ยอายะฮ์อัลกรุรอานที่ถูกประทานลงมาหลังจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบทบรรยัญญติที่มาเติมเต็ม อะไรที่ยังไม่ครบมาใส่ให้หมดใส่ให้หม ด, หหมดนี่คือความหมายของคําว่าเรียนติมมาเนมาเทวาอะไรทําให้ศาสนาอิสลามบทบัญญัติของอิสลามสมบูรณ์เต็มเต็ ม, ตมและทําให้คนอื่นๆชาวอาหรับที่อยู่ ร, บรอบๆเมืองมารีนะมารับอิสลามเพิ่มขึ้นเป็นแนบหนัดให้กับท่านนาบีสโล ล, ลลล็อกอัลสลัมทุกคนคนอื่นๆชาวเผ่าต่างๆที่อยู่นอกเมืองได้รู้จักท่านนาบีสโลลล็อกอัลลัมได้ส่งสาร ไปให้กับชาวเมืองต่างๆหัวหน้าต่างๆกษัตริย์ในเมืองต่างๆเหล่านี้รวมอยู่ในคาว่าวายุิมมะเมจฮูอลยกะวยะฮ์ดิยาคิรตมุสตมาละอัลลอซุฮาจะให้รองจะให้ท่านนบีนั้นวย์ดยะ์ดอยวยะฮ์ดิยาควยรชิดะบีฟัตลีฮฺวะครมีฮ อิลั์ الطريق القوي والدين الحق والأقوال الطيبة والأعمال ا ل ال ص ا ل ح รัตัลจะสง์ทามห้นะครับ euh, ท่านนาบีสุลุสัลมและอุมมะของท่านดำรงอยู่บนเส้นทางที่ทเที่ยงตรงอ่ามันชอลานะได้ยืนหยัดอยู่บนศาสนาของอลัลลอุบไน์ตะลเพราะว่าในเมื่ออัลลอลาลประกาศชัยชนะแล้วชาวมุสลิมก็มีกำลังใจ มีกำลังใจที่จะยืนหยัดอยู่บนเส้นทางนี้เพิ่มมากขึ้นอันนี้คืออยู่รวมอยู่ในความหมายของคำว่าโหยาดีเจซิร่าว์มสุสต์เต ق มาและอันสุ้ายวยังซูรักัลลอฮุนัสรนอราซีซาและพระองค์จะทรงช่วยให้เจ้าได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับว่าเพราะหลังจากนั้นหลังจากทาสงครามุูดยเบี ชนะก็เริม่มทยอยมาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่า ง, างไปทำสงครามกับคอยบัตก็ชนะคอยบัตมาปีที่แปไปพิชิตมักกะก็ชนะมาได้เปิดเมืองมักกะคนมักกะเองก็ได้รับอิสลามไปทำสงครามกับชาวตอเอฟได้ตอเอฟมานะครับเหล่านี้คือความช่วยเหลือจากอัลลอฮุ س ب าน ن ه และ ت ع ا ล ى ซึ่งเกิดขึ้นหลังนบีสมลตัล อ, อะเลาะห์วันสันแลมทำสัญญากับพวกตัรสในปีที่6ที่เรียกว่าสุลฮุลูดายบียดังนั้นพี่น้องครับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่เราเรียกว่าสุลฮุลบียนี่จริงๆแล้วมันสอนเราได้เยอะมากบางทีบรรยากาศของการที่เรามีสันติภาพอาจจะเอือ้อต่อการที่เราจะขยาย แพร่กระจายคําสอนของอิสลามได้ดีกว่าในบรรยากาศที่เราจะต้องมัวพะวงอยู่ว่าจะรับมือต่อสู้กับศัตรูอย่างไรเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี้เราจะเอาบทรเรียนเหล่านี้มาใช้ได้อย่างไรบางเรื่องบางอย่างที่เรามองว่าเราเสียเปรียบแต่ถ้าเราพิจารณาดูดีๆบางทีมันอาจจะมีข้อดีมีด้านบวกซ่อนอยู่เราจะใช้ด้านบวกจากความรู้สึกว่าเราเสียเปรียบยังไงให้มันเกิดประโยชน์กับ เพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ใหญ่ที่สุดในศาสนาอิสลามก็คือไม่ใช่สงครามนะสงครามไม่ใช่จุดประสงค์ของอิสลามไม่ใช่เป้าหมายของศาสนาอิสลามที่จะไปทําสงครามกับคนน้ไปทําสงครามกับคนไม่สิ่งที่เราต้องการก็คือต้องการให้หลักคําสอนของ Allah ให้ความเมตตาของ Allah นี่เข้าถึงผู้คนไอ้ที่มีสงครามเนี่ยเพื่อปลด อุปสรรคที่จะทำให้ฮิดายะห์อละตะาอลาเนี่ยเข้าถึงคนไม่ได้อันนั้นต่งางเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าอิสลามเป็นศาสนาที่กระหายสงครามต้องทำสงครามไม่ใช่ไม่ใช่จุดประสงค์มันเป็นแค่เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในบางวาระบางโอกาสเท่านั้นแต่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ถ้าสมมติมีบรรยากาศที่มันเอื้ออานวยต่อการที่เราจะไปบอก ไปกล่าวไปเชิญชวนไปเล่าไปนําคําสอนของรัสตาลาให้คนได้เข้าถึงเนี่ยไม่จําเป็นที่จะมานั่งคิดเรื่องสองครามแต่มันต้องมีนะบทบัญญัตินี้ต้องมีเอาไว้ไม่ใช่ไปยกเลิกไม่ใช่บทบัญญัติของรัสตาลายังคงมีอยู่แต่จะบอกว่าบรรยากาศของสันติภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่มุสลิมต้องการมากกว่าบรรยากาศของสองครามอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับอันนี้คือในจํานวนบทเรียนที่เราได้รับจาก ตอนต้นของซุรัตุนแฟตแน่นอนว่าเป็นการประกาศให้เห็นอย่างชัดเจนว่านี่คือของขวัญพิเศษที่มอบให้กับท่านนาบีสุลต่านและบรรดาสัฮาบะด้วยบรรดาชาวมุสลิมด้วยท่านนาบี12ึ่งสองสามสี่อัลลอบอกแล้วแล้วสําหรับชาวมุสลินละการฟัดชนโฮไดเบีย ah เนี่ยเป็นของขวัญพิเศษให้กับพวกเขาได้อย่างไรถูกระบุเอาไว้ในอายะต่อไปอิชอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนกันว่า มันเป็นความพิเศษให้กับชาวมุสลิมได้อย่างไรบ้างนะครับสุลตูร์แฟตเป็นลต์ที่พูดถึงาวดีกับพวกเราทุกคนอัลลอฮาละลม وفقنا ل ح ح. د د ل ه ي ا ك م لما يحب ي ر ض ى و ص ل الله على نبينا محمد و ع آ ه و ص ح ب وسلم سبحان ر, ر ب الع ر ك العزة أما يصفون وسلام على ا ل م ر س ي ن والحمد لله رب ا ل ع ا ل م و س ل ا م عليكم ورحمة الله ب ر ك